แถวนี้ผีดุเรื่องเล่าผีเขาคือใครกับร่างบอกเหตุเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของคุณพิสนุคุณพิสนุเล่าผ่านหลังไม้มาให้ในเพจเฟซบ o ๊กแถวนี้ผีดุให้ฟังว่าในสมัยที่ผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่ราวสิบปีที่ผ่านมาเห็นจะได้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 ทุกคนรวมตัวกันที่วัดแต่เช้าคราะนัดกันว่าหลังจากทําความสะอาดแล้วก็จะกินข้าวข้นบาดหลวงตากันจึงรวมตัวกันตั้งแต่หกนาฬิกาเริ่มทําความสะอาดตั้งแต่สาราวัดโบสถ์ห้องน้ํารอบวัดบนวัดตั้งแต่เช้าไม่ได้หยุดคิดว่าวันเดียวคงทํากันไม่เสร็จกะว่าพรุ่งนี้ค่อยมาทําใหม่เพราะเป็นวันอาทิตย์ในขณะที่ทําความสะอาดอยู่นั้นผมก็เห็นชายร่างกํายําตัวโตมากมากกว่าจ้นัดเพื่อนผมที่ว่าตัวโตกว่าใครในกลุ่ม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 แต่เขาอาจไม่ค่อยชอบพูดเมื่อเห็นพวกผมพักเหนื่อยก็เลยเดินกลับไปหาเจ้าอาวาสผู้เราคิดกันเองแล้วก็สันนิษฐานว่าเป็นอย่างนั้นหลังจากพักหายเหนื่อยก็เดินไปขอข้าวคล้บาสเจ้าอาวาสที่เรามักเรียกติดปากว่าหลวงตากินกันวันรุ่งขึ้นเราก็นัดกันมาทําความสะอาดวัดกันต่อเวลาเดิมวันนี้ผมก็เห็นพี่ชายคนเดิมเขาแต่งชุดเดิมจงกระเบนสีแดงมาเดินตามนัดทําความสะอาดผมจ้องมองเขาเขาหันมา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 ถ้าข้าไม่อยู่กับพวกเองพวกเองจะคิดถึงข้าไหมทุกคนมองหน้ากันผมรีบถามนัดว่าเฮ้ย hey, ทำไมเองถามแบบนี้ว่านัดเองเป็นเพื่อนรักของพวกเราเองไม่อยู่ทำไมจะไม่คิดถึงล่ะเองจะไปไหนเองจะไปอยู่กับญาติที่กรุงเทพเหรอในบอกว่าจะเรียนต่อด้วยกันไงทำไม่ผิดสัญญากันล่ะขณะที่ผมถามนัดออกไปทําให้ใจผมรู้สึกวิววิวยังไงบอกไม่ถูกนัดดูหน้าตาเศร้าๆผิดปกติจนผมเริ่มกังวลนัดเป็นอะไรหรือต้องย้ายบ้าน แต่ก็ไม่มีวิเแววเลยนี่นานัดตอบกลับมาไม่ได้ย้ายบ้านแต่ข้าว่าถ้าข้าไม่มีพวกเองเนี่ยข้าคงเหงานะแล้วก็อยากรู้ถ้าพวกเองไม่มีค้าพวกเองจะรู้สึกยังไงไม่มีอะไรอ่ะไปปะไปกินข้าวกล่นบาดหลวงตา ก, กันก่อนที่จะไม่มีโอกาสกินนัดพูดออกมาแบบนั้นยิ่งทําให้ผมใจไม่ดีหน้าเสียแต่เพื่อนเพื่อนคนอื่นก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเฮกันไปกินข้าวทําไมผมรู้สึกแปลกๆใจหวิวๆบอกไม่ถูก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 พวกเราตอบคราวนี้หลวงตาหันไปมองหน้านัดเจ้าละอายุเท่าไหร่นัดทำหน้างงๆผมก็งงแต่ก็ตอบหลวงตาผมย่างสิเก้าครับหลวงตานัดตอบหลวงตาแบบงงๆหลวงตาพูดต่อไปหนีเขามานานเหมือนกันนะเขามาตามกลับอย่าขัดขืนกลับไปกับเขาซะเจ้าน่ะเป็นคนดีทำกรรมดีไว้เยอะไม่ลำบากมากไม่ต้องอยู่โลกมนุษย์นานจงกลับไปอย่างสงบนะ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 ใจผมตกไปอยู่ที่ตาตุ่มหน้าซีดมือเท้าเย็นขนหัวลุกขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกตั้งใจฟังที่อาจารย์ที่ปรึกษาพูดนัดเพื่อนในห้องเดียวกับเราเขาเสียชีวิตเมื่อสายๆนาชายเขามาแจ้งให้ครูทราบเย็นนี้เขาลดน้าศพเดี๋ยวครูจะพาไปนะครับผมแทบจะไม่เชื่อคําพูดของอาจารย์ประจําชั้นพวกเราทุกคนในกลุ่มนั่งทําหน้าง ง, งนัดเป็นอะไรตายก็เมื่อวานยังทําความสะอาดกันอยู่เลยนักก็ดูร่าเริงไม่มีทีท่าว่าจะเสียชีวิต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 พ่อแม่ของนัทเศร้าเสียใจกับการจากไปยังไม่ทราบสาเหตุของลูกชายคนดีเพื่อนในกลุ่มทุกคนเสียใจแต่ไม่มีใครแสดงออกมาเป็นคำพูดในวันเผาผมและเพื่อนๆช่วยงานกันอย่างสุดความสามารถพอถึงเวลาเผาพวกเราก็ยืนจากดอกไม้จันท์อยู่หน้าเมนพอเริ่มจุดไฟพ่อกับแม่ของนัทเป็นลมผมซึ่งเป็นเพื่อนรักกับนัทมากกว่าใครมองขึ้นไปบนปล่องไฟอยากจะส่งวิญ ญ, ญาณ น, นัทเป็นครั้งสุดท้ายจึงขึ้นไปวางดอกไม้ให้กับเพื่อน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 เขาตามมาเจอเขาก็บอกว่าไม่อยากเอาไปเพราะเพื่อนเองเป็นคนดีอยากให้อยู่แต่ว่าขัดกฎแห่งกรรมไม่ได้ต้องทังหลวงตาบอกแบบเศร้าๆเช่นกันผมเดินกลับม่านแบบตัวเบาสิ่งที่นัดพูดว่าถ้าไม่มีเพื่อนคนนี้พวกเองจะคิดถึงไหมสิ่งที่หลวงตาพูดนี่ทุกอย่างเป็นเรื่องจริงไม่ใช่ความฝันมันเกิดขึ้นจริงๆหรือเนี่ยสิ่งที่เห็นข ย, ย ม, มาทูดมารับวิญญาณผมคิดในใจ ต่อไปผมต้องทำความดีให้มากกว่าความชั่วจะได้ไม่ต้องไปทรมานในนรกค่ณคิดว่ามีจริงอย่างแน่นอนหากชอบโปรดกดถูกใจและกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ